สงลงโทษและระงับกรรมต่อมาสงได้ลงอุเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุอริฏฐะผู้มีบรรพบ่รุษเป็นพรานฆ่านกแรง้งห้ามสมโภคกับสงท่านถูกสงลงอุเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปจึงศึกภิกษุผู้มักน้อยสันโดษตัหนิ ประนามโพรท น, นาว่าฉะไหนภิกษุอริ t ฐะผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแรง้งถูกสงลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาจึงสึกเล่าแล้วได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ